ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธรชนทั้งหลายในสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องปัญหาสูตรคือสูตรที่ว่าโดยการสนทนาการตอบปัญหาเราต้องการชี้แจงเรื่องราวต่างๆาจะเห็นว่าการบังเกิดของพระพุทธเจ้า และการเผยแร่พระพุทธศาสนาของพระองค์นั้นเป็นการเผยแพร่ในท้ำกลางคนที่มีความรู้สึกต่อต้านกัดขวางเพราะว่าการแสดงความจริงในลักษณะเช่นนั้นก็ทำให้คนเป็นมากที่มีอยู่ก่อนก็สูญเสียผลประโยชน์วัราะจึงมีคน เป็นจำนวนไม่น้อยที่มาสักถามมาโต้ตอบเมื่อต้องการได้หักลังคำสอนของพระองค์อย่างเรื่องใหญ่ๆที่เคยเล่าออฟังอย่างเช่นอภัยราชกุมารซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านนิครนาถบุตรท่นนิคร น, นาถบุตรนนยพยายามตกแต่งปัญหาวาง วิธีการตั้งคำถามการตอบการดักหน้าดักหลังเอาไว้แล้วก็ส่งอภัยราชกุมารซึ่งเป็นพระจูรถของญญพระเจ้าปิปิสารในมาถามปัะหาตามเรื่องการใช้วาจาพระพุทธเจ้านั้นพูดเฉพาะวาจาที่ไพเราะเสมอไปหรือว่าแม่วาจาที่ไม่ไพเรอะก็พูด จึงก็เสียไปทั้งสองกรณีพระพุเจ้าจะส่งไปยืนยันว่าพระองค์ก็พูดวา จ, าจาหยาบด้วยพรก็ว่าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านชาวบ้านก็พูดดีก็มีพูดหยาบก็มีแต่แต่พระเจ้าไปบอกว่าพระองค์พูดเฉพาะวาจาที่ไปราะทันนั้นไม่พูดวาจาหยาบ เขจะมีข้อมูลมาหักลา้างประการที่พระเจ้าทรงตำหนิพระเทวทั ต, ท ต, ตนี่การการะทำของพระเทวทัตว่าจะต้องตกนรกกเรียกว่ามีอบายไปที่ไปในเบื้องหน้าสมุ น, ส น, นบัลลีว่ามีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็หมายความว่าตกนรกมันเป็นคําหยาบก็หมายความวันจะไปท้ายก็โดนตลกโดนไปขวาก็โดนตลก เจ้าก็ทรงตอบเป็นกลางๆบงม า, มาก็แล้วแต่กรณีคือไม่ได้เจาะจงลงไปว่าจะต้องพูดวาจาที่ไพเราะเสมอไปก็แล้วแต่กรณีของบุคคลแล้วแต่กรณีของเรื่องแล้วก็ทรงใช้ตัวอย่างคือคนสมัยโบราณเนี่ย ม, มันมีวิธีอะไรเยอะก็เรื่อมีลูกเล่นแต่สมุนสมัยนั้นก็เรเลสสวีชี เป็นเครื่องมือสรับเอามาอ้างเพื่อจะเอาตัวให้รอดบางคนอาจจะถืออะไรมาบางคนอาจจะมีอะไรมานะฮะเคช่วยราชกุมารท่านอุ้มลูกมาโดยก็โดยคิดว่าถ้ามีข้าวจะแพ้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหยิกลูกให้ร้องเดยจะอ้างว่าลูกลูกลูกขิวแล้วลูกง่วงแล้วก็จะลากกลับ คุณพก็ส่งย้อนซึ่งใช้เครื่องมือที่กเตรียมาอ้างเป็นเครื่องมือว่าเหมือนกันลูกเหมือนกับราชโอรกไปอมก้อนปวดก้อ น, อนหินเข้าไปในปากแต่มันกลืนไปค้างอยู่ข้างในทํำยังไงเอาไปได้คุณปานบอกว่าต้องงอนิ้วแล้วก็ค่อยๆกดดึงออกมาเด็กความน้าหลงแล้วค่อยดึงออกมา ดึงอย่างนั้นมันก็เป็นอันตรายแปากป่าของเด็กถจะเกิดบาดแผลขึ้นมาได้กุมารบอกว่ามันก็จําเป็นเพดีกว่าปร่อยให้เด็กตายพระเจ้าก็รับสั่งก็เหมือนกันเด ต, ตาคดบางทีต้องพูดคำหนักๆเพื่อกำราบคนบางพวกจะเห็นว่าออการเตรียมมาเล่นงานพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้มันมียเยอะ บางทีก็เตรียมบุคคลมาบางทีก็เตรียมวางข้อความต่างๆเตรียมตลบหน้าตลบหลังเอาไว้วางแผนที่จะมาหักล้างนะครับมากว่ามาถ้าถ้าหักลา้างวาถทะของพระพุทธเจ้าได้เนะี่ยคำสอนตั้งวงก็ล้มเหลวหรือ เ, เรื่องใหญ่อย่างที่เคยบอกว่าพระพุทธศาสนานนั้นอยู่ที่ประรัตนไตรถ้าทําลายพระรัตนไตรัยได้มัก็จบ เมื่อก็งูทั้งตัวยาวยังไงก็ตามนะตัดหัวได้ก็จบเพราะาเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการโต้อตอบเรื่องการชี้แจงเรื่องการต่อสู้ในพังหักล้างเนี่ยไม่เป็นความจำเป็นว่าใช้วิธีไหนในกรณีตรงนี้ใช้วิธีอะไรคือใช้วิธีใดวิธีหนึ่งมันไม่ได้อะ่ะมันมันต้องให้สอดคล้องกับลักษณะกรณีกับสิ่งเดดนั้นแล้วก็เหมือนการกระทําเหล่าอื่น กลาใก้กัเครื่องเครื่องใช้ไม้สอยหรือแม่แต่รับประทานอาหารเราก็ดูตรงนี้จะใช้อะไรใช้มีดใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้มือใช้ทั้งช้อนทั้งซ่อมหรือใช้ทั้งมีดอะไรแต่ละก็แล้วแต่เป็นการเลือกใช้ให้เหมาะควรแ ก, ะกะ่กรณีนั้นๆเพราะระจริงๆก็คือธรรมาภาคปฏิบัติในธรรมภาคปริยัติในการเรียนรู้นี่เราก็เรียนเยะ แต่ในภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องใช้ธรรมะเป็นว่าในกรณีอะไรใช้กรณีอะไรในเมื่อวานันี่ก็มีพระเข้ามาถามตามเรื่องเมตตากับการุณ า, าการุณาในใช้อย่างไงเมตตาในใช้อย่างไงแลบอกว่าธรรมะชุดนี้เป็นธรรมะที่ค่อนข้างแปลกคือมันเดียว มาความมาอยู่เป็นสี่ข้อจริงแต่เวลาใช้ใช้เดี่ยวคือใช้ทีละข้อไม่ได้ใช้ทีเดียวสี่ข้อตามปกติแล้วมันจะใช้ถ้าเป็นชุดแล้วธรรมะจะต้องใช้หมดทั้งชุดจะอิฏิบัติสี่ยเราใช้หมดทั้งชุดทีเดียวก็เป็นปฏิบัติสี่แล้วนะกินอาหารคําเดียวก็อิฏิบาติครบสี่แล้วหรือสัพพริศธรรมเจ็ดแม้แต่เจ็ดข้อเนี่ยพูดประโยคเดียวเราต้องครบเจ็ดข้อแล้ว แต่ไปถึงโพรมเหารไม่ใช่เลยพรมเหารแยกชายตีละคอเพียงแต่ว่าข้อหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นฐานหลักประเด็นสําคัญของคนเราที่อยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมีความรู้สึกรู้สึกที่ดีดต่อกันแต่รู้สึกเป็นเราเป็นเขาแล้วเนี่ยไม่มีทางแต่รู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่แรงจนถึงแบ่งแยกแบ่งฝ่ายรบ ก, กัน อย่างข่าวคราวที่เกิดขึ้นที่บอสเนียเวลานี้นะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่ า, าเป็นประเทศในในโปลติโต้สมัยโบราณสมัยก่อนก่อนในโปลติโต้อยู่ ก, ก, ก, ก็รวบรว ม, รวมเอาไว้ได้ทุกวันมีความเราเป็นเขารุนแรงจนต้องเกณฑ์ทหารต่างชาติเข้ามาดูแลบ้านเมืองมันเอามาอยู่แล้วมันก็พูดอะไรไม่ได้นพื้นฐานทํำยังไงว่ารู้สึกยอมรับรั บ, รบถือกันให้ได้ แม้จะเป็นเราเป็นเขาแตยอมรับรับถือสถานะของกันรายกันให้ได้แล้วจากนั้นให้จิตอยู่โดยเมตตาเมตตานั้นจะมีลักษณะสากลคือหมายความว่าไม่เลือกชนชั้นวรรณะอะไรแต่มองมองเป็นพวกเดียวกันอย่างน้อยก็มองเป็นเพื่อนร่วมโลกกันตามปกติแล้วเนี่ย เราจะมองไปในแนวรุนแรงคือจะมองอยู่สองแนวไหนเราัำเกี่ยวจะมองสองแนวคือมองเพื่อทําลายก็มองเพื่อได้มายความต้องมองเพื่อทําลายก็มองด้วยโทสะมองเพื่อได้ก็มองด้วยราคาเพราะงั้นในความเป็นเมตตาเนี่ยรงกันข้ามมันยังเป็นโทสะเป็นพยาบาทลักษณะใกล้ๆกับเมตตาเราเนี้ก็เมตตาที่จริงมันเป็นราคาเป็นราคาก็คือมองเพื่อตัวเองได้ เพเป็นปลื้มว่าตอบสนองตัวเองมระเจ้าก็สอนให้มองในแนวของเมตตาซึ่งเป็นลักษณะของการอย่างน้อยเดี๋เราไม่ล่วงเกินเขานะฮะอย่างน้อยเราไม่ล่วงเกินคนะรับพอเขาประสบความเดือดร้อนเราก็ใช้กรุณาพอเขาประสบความเจริญกา้าวเราก็ใช้มุจิตา ทำไมต้งชาการุณาพระธรรมปกติแล้วคนเราเวลาคนอื่นประสบความพิบัติมันรู้สึกมันรู้สึกอยากดูไฟไหม้ก็วิ่งไปดูกันจนดับไฟลําบากคนต่อยเกิดสึกสงครามวิ่งไปดูชอบดูฮะชอบดูบางทีก็ต่อยกันก็อยากให้ต่อยให้มันกว่านั้นอีกเชียแต่วิธีการอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องฉะนั้นก็สอนให้พยายามช่วยเหลือ บรรเทาความทุกข์เขาคือแทนที่จะมองโดวยวีย่เสียไม่ใช่มองโดวยวิหิงสาก็มองด้วยความการุณาแต่ถ้าเราไม่ไม่เมตตาเขาในเราการุณาไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเริ่มชีเมตตาเมตตาจึงกลายเป็นฐานใจเวลาพูดทั่วๆไปจะพูดมักจะพูดที่เมตตาไม่ค่อยพูดกรุณาเมตตาเบขาเพราะว่าจริงๆเมตตาการุณาเมตตาเบขามันขยับอันเองนี่ก็คือลักษณะการใช้เพราะว่า ถ้ามาอย่างนั้นใจมันจะแกว่งไปอีกทางหนึ่งเช่นสมมติรคนประสบความเจริญก้าวหน้าแต่ที่เราจะอีมุมทิตากับเขาเราเกิดฤทิ์ยามเสก่อนอริษยามก็มีปัญหาธรรมะเหล่านี้จึงอยู่ในชุดเดียวกันแต่จึงใช้ทีละข้อทอนนั้นเนีปัญหาสำกันว่าอยู่ที่ใช้ให้เป็นแต่ใช้ไม่เป็นก็ดูแล้วมันจุดจ้านนะ น, นะฮะ ใกล้ๆกับเขาเดินอยู่ดีๆน่ยเขาเดินเรียบร้อยเนี่ยซึ่งเราควรจะใช้เบรคขาแนหะก็เดินเรียบร้อยไม่ต้องยุ่งเขาหรอกเราไปประคองเขาวะเนี่ยมันจุนจานมันไม่เรียบร้อยมันเป็นมุติมันมันเป็นกรุณาไม่ต้องกรุณาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรกรุณาเขาทาอะไรแร้วก็เดินดีๆก็พอก็เดินไปลักษณะเหล่านี้ท่านจะเห็นว่ามันมีปัญญาเข้ากํากับที่ตัวอย่างในท่านอุ ป, ปมาเลยเห็นในชัด เพราะแม่ตาเนี่ยมันเหมือนกับพ่อแม่มีความรู้สึกต่อลูกซึ่งอยู่ในคันปรารถนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นดีๆตรงนั้นเนี่ยนะฮะต้องการดีๆตรงนั้นถ้าลูกคลอดออกมาดีตามที่แม่ต้องการแม่จะมีมูทิตาถ้าลูกคลอดออกมาเกิดพิการเนี่ยฮะแม่จะเกิดการุณาเพราะการุณาเนี่ยมันก็เกิดเมื่อลูกป่วย ลูกมีปัญหามุทิตาก็เกิดมาลูกหายติเบคขาเนี่ย ม, มันมันลักษณะมองเหมือนกับลูกเดินลูกกำลังสอนเดินเนี่ยแม่ก็มองไปถ้าเดินได้ดีๆนะแม่จะมีมุทิตาจิตจะไปอยู่ที่มุทิตาถ้าถ้าล้มจิตจะกรุณาแต่ตามปกติก็มองดูเฉยเฉยมองดูเฉยเฉยกหมายความว่ามีปัญญาเข้ากำกับในการมองอยู่ไม่จะมองปล่อยจนลูก หล่นมาข้างล่างจึงเกิดการุณาไม่ใช่อย่างนั้นมันจริงิงมันมันมันมันมีปัญญาข้อกำกับนี่คือธรรมะในภาคใช้ภาคใช้งานต้องใช้ก็เป็นใช้สมควรแก่กรณีดันั้นการต่อปัญหาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่ยึงหมายถึงการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วย โดยตามปกติแล้วสังคมเราคนเราแต่และคนที่จริงไม่ว่ายุคใดสมัยใด น, นะฮะเรารับฟังข้อมูลข่าวสารมากกว่าเราจะสื่อสารและโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนั้นข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีการลงทุนลงแรงจำนวนมากมายต้องการจะได้กำไรจากการสื่อสารตรงนั้นต่้นลองฟังวิทยุรายการอะไราตรายนะฮะมีโฆษณาเยอะเลย อันนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เขาสื่อสารได้แล้วก็สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยการสื่อสารได้ต่การสื่อสารด้วยความโลภเนี่ยมันก็แสดงว่าความจริงนี่มันมันไม่ค่อยมากเท่าไหร่ไม่ใช่ร้อยเปซก็เคยมีการทดสอบกันที่สหรัฐอเมริกาเขาทำหนังสือมาสามเล่มเล่มหนึ่งนะักเขียนฉันเยี่ยมเลยนะฮะ แต่ว่าปกเรียบเรียบธรรมดาป ก, ปกขาวป ก, ปกสีธรรมดาไม่มีลวดลายเลยเล่มหนึ่งนั้นจะตกแต่งรูปรูปเล่มปกภาพสวยต่างๆน่าจับน่าต้องแต่นักเขียนไม่เก่งเท่าไหร่อีกภาพหนึ่งนั้นภาพหนึ่งนั้นโฆษณาทั้งรูปทั้งขนาดทั้งอะไรแต่ไหโฆษณาเป็นหลักใช้โฆษณาเป็นหลัก ปรากฏว่ายอดจำหน่ายเนี่ยเล่มสุดท้ายซึ่งนักเขียนโนเนมเนี่ยนะจริงแต่วันมาอาศัยการโฆษณาเนี่ยปรากฏว่าจําหน่ายได้มากที่สุดเมื็นการทดสอบว่าคนนี้มันไหลไปตามกระแสที่ถูกสื่อถูกสร้างขึ้นมามีการชี้นำซ้ำๆซักๆัชี้นำซ้ำๆซ้ำซแล้วก็ยอมรับมันมันมันมันกลายเป็นค่านิยมมันกมันกลายเป็นแฟชั่นที่เรียกว่าถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ทันสมัย เขาพูดถึงเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้พูดด้วยแสดงว่าเราเราไม่ทันสมัยการเป็นคนเป็นคนตกตกยุคตกรุ่นไปเพราะงันต้องแปต้องการพยายามจะได้สถานะจากสังคมก็ต้องไหลไปทางกตระแสตรงนั้นแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือกลายเป็นเครื่องมือของสื่อโดยไม่รู้สึกตัวนะครับว่าหนึ่งวิ่งซื้อหนังสือพิมพ์อ่านัง78ดแฉบับอ่านอะไรทั้ง78็ฉบับ เราก็อ่านไม่ได้จริงๆนะฮะดูแต่หัวพาดพาดหัวตอนนี้มันจะหมดเงินไปท่ายไมแลนะ้นะกินข้าวได้สองมือสามมือนะกนนี้ก็คือลักษณะของการไหลไปตามซื่อเพราะงั้นแม้แต่การฝังข้อมูลข่าวสารทั้งหลายมันก็ต้องคิดแบบการตอบนะคิดแบบการตอบเหมือนกัน เรทรงแสดงแนวการโต้อตอบในการชี้แจงไว้เป็นสี่แนวแนวแรกใกนแรกเรียกว่าเอกังสะเอกังสะพยากรณ์คือมองไปแนวเดียวแต่แนวเดียวนั้นหมายความว่าบางทีเราใช้ศรัทธาบางทีใช้ปัญญานะครับือเรื่องมาเรื่องเราเราไม่รู้นัยยะตรเนี้นตลอดว่ามั น, ม, นมันจริงจริงวมันคืออะไร เพราะสิ่งตั้งหยมันคล้ายๆภูเขาน้ำแข็งนะแต่จริงมันอยู่ใต้น้ำกว่ามันอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันมันมากกว่าที่โปล่มาข้างบนอะเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องใช้ความเชื่อเรื่องบางเรื่องเราก็ใช้แนวแนวเรียกอนุมานแนวอนุมานเอาเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องใช้สัมผัสตรงสัมผัสตรงที่จริงเรามีความมีความจำกัดในด้านสัมผัส ในด้านสัมผัสแล้วแต่แต่ว่าเราไม่ได้มองตรงนี้ทําให้เราตกเป็นเครื่องมือก็องคยอืได้ง่ายเราไม่รู้จริงเรามีความจํากัดในด้านข้อมูลจะมวินิจฉัยได้อย่างไงบางทีข้อมูลมันไม่พอตัวการไม่นิจัยแล้วก็ชี้ผิดชี้ถูกไม่ได้ตัวนี้มันก็รับฟังในฐานะที่เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งเท่า น, นั้นเองอย่าไปเอาเรื่องราวมากเกิดไปแต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยมั น, ม, น, ม, นมันฟังได้คือที่มาเนี่ย อย่างน้อยที่มากวรแกการฟังคือข้อมูลข่าวสารจากจากเรียกว่าวินยูชนนะจากวินยูชนจากผู้ใหญ่ที่พระพุทธเจ้าใช้คำคำง่ายๆว่าบัณฑิตหรือสัตว์รุษใครก็ตามนะฮะเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์าศาสาตราอะไรต่างๆนี่ที่จริงสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้รู้ตลอดหรอก เราไม่รู้ตลอดแต่เราก็รู้ว่าท่านเหล่านี้เชื่อได้เชื่อได้เราก็เชื่อไปตามนั้นหมายความวินิฉัยรับรับผิดถูกไปโดยอาศัยความเชื่อเป็นฐานที่มาของข้อมูลตรงนั้นเราเชื่อเราเชื่อตอนอที่มาของข้อมูลจริงๆเราไม่ได้เชื่อข้อมูลเพราะข้อมูลเราเร า, เรายัางไม่มีความรู้พ อ, รอเราก็เชื่อท่านเหล่านี้แต่ทีนี้บางอย่างเนี่ย ศรัทธาเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะศรัทธาก็เป็นบางทนมั่นใจมันจะจริงหรือไม่จริงก็ก็ยอมรับฟังไว้ในฐานะอย่างหนึ่งว่าเออนี่เขาว่าอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มันไม่ควรจะไปเชื่อทันทีหรือว่าไปปฏิเสธทันทีแนวอย่างหนึ่งเป็นแนวของการศึกษาข้อมูลพอๆมีความรอบรู้แล้วก็ฟันธงได้เลยนะฮะหมายความว่าอย่างนี้ต้องอย่างเนี้นะเราจะเห็นว่าแนวของการฟันธงเนี่ย คือแนวของอริยสัจสี่เรียนมาฮะหมายความมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลยทุกก็คือทุกจริงนะพูดมาอะไรก็คือทุกทุกจริงเลยเราสวดกี่ร้อยกี่พันครั้งชาติเป็นทุกขชาราเป็นทุกมรณเป็นทุกอะไรแต่ใดเนี่ยเราก็สวดมาทุกแข่งเราเจอในพระไตรปิกทุกแข่งแนวอริยสัจนะแล้วก็แนวอริยสัจแนวอริยสัจทั้งหมดนี่ฝันท่งได้เลยพวกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นน้าตาหนึ่งฝันฝันได้เลย แล้วพิสูจน์หักล้างมาเถอะเอาตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้ปัญหาว่าถ้าเราไปตอบกับเขาเนี่ยปัญหาอยู่ที่วิธีตอบอเพราะว่าจริ ง, รงๆอะมายัางยังไม่ค่อยแน่ใจว่าคำว่าไม่เที่ยงในเด็กสมัยนี้สื่อสารได้หรือเปล่าคาว่าไม่เที่ยงเนี่ยคนรุ่นเก่าในฟังเข้าใจนะคนรุ่นนี้เข้าใจหรือเปล่าคาว่าไม่เที่ยงคืออะไรใช่ไหมภาษาที่จะนําไปสื่อสารเนี่ยมันมั น, ม, นมันค่อนข้างยากเงี้ยนะ บางทีอาจจะหมายไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้เพตัวนั้นจึงต้องอาศัยการใช้พยัญชนะที่จะสื่อสารกับเขาให้ตกให้สอดคล้องกับพื้นฐานที่เขาจะรับรู้จะมีความเข้าใจได้แต่ว่าหลักตรงนี้เป็นเป็นหลักเป็นอย่า ง, งา น, นั้นนะฮะหรือว่าเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ย ที่จริงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครค่อนข้างสลับซับซอนะ้อนแล้วก็อธิบายอธิบายยากแต่วที่แน่นอนที่สุดคือคือทำดีก็ได้ดีทำดีตั้งแต่ได้ตั้งแต่ได้ทำดีนะฮะตั้งแต่ได้ทำดีทาดีตั้งแต่ได้ทำดีำด แ, ดำดแล้วก็ได้ดีแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็ดีไปตลอดถ้าจะถูกตาหนิตีเตียน เพราะการกระทำดีก็เป็นเรื่องการดาหนีของคนผ่านแต่เราอย่าไปคิดมากนะฮะเราอย่าเราอย่าไปคิดว่าถ้าเราทําดีแล้วคนนอยกย่องอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะคนทุกคนเนี่ยมันมีมุมมองในส่วนตัวเขาเองคนทําดีขนาดพระพุทธเจ้าเพื่อนอย่างล้างผ่านตลอดสี่สิบห้าปีเบียนเียนตลอดสี่สิบห้าปีพุทธเจ้าก็ทำดีตลอดล่นะแต่ว่าคนยังมองเป็นตัตรูอยู่ยอแยกไปหมดแต่เพราะฉะนั้นอย่าไปติดใจกันการคิดของคนอื่น ด้วยการพูดของคนอื่นถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้ถ้าเราจะมองคนอื่นในจุดนี้ก็มองเฉพาะท่านที่เป็นวินยูชนแต่วินยูชนยกย่องสรรเสริญถ้ามายกย่องสรเสริก็ไม่ว่าอะไรนะฮะวินยูชนาหนิถ้าท่านไม่ําหนิก็ไม่ว่าอะไรแต่หมายความว่าถ้าจะเอาเกณฑ์คนเนี่ยมันต้องเอาเกณฑ์ของคนดี ที่เขาพูดโดยความเมตตาจริงโดยความรู้จริงนะดยไ ม, ไม่ไม่ริษยาไม่แข็งดีอะไรแต่นนี่ก็คือแนวเ็าเรียกว่าเอกังสะพยากรคือพยากรโดยส่วนเดียวแนวธรรมะทั้งหลายเนี่ยให้ลองสังเกตนะแนวธรรมะทั้งหลายที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นข้อยุติเพียงแต่ว่าอย่าไปยุติมากเกินไปในในเรื่องบางเรื่องนะฮะอย่างอย่างอะไรจะมีคาถาม การถามอะไรเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายที่มีการถกเถียงกันในที่ประชุมสวดท็จธรรมอ่ะคือท่านท่า น, ท, านท่านเฉลยแล้วถ้าไปยึดติดยึดติดในรูปแบบเกินไปคําบาลีที่เราท่องกันจํากันทุบตูไปนะว่าวีรโครเศโธโธธรรมานางังวีราฆะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายพผลผลนักเรียนตอบไม่ตอบอย่างนั้นท่านถือว่าผิดอันนี้มันมันมันมั น, มน มันเถีนโจงเกินไปนะคือเราต้องเข้าใจว่าวิราค้าคืออะไรต่อไปวิราค้าเป็นวยพจน์อย่างหนึ่งของคำว่านิพานคำว่านิพานเนี่ยคําได้ใช้แทนนิพานได้ในภาษาบาลีมีถึงร่วมร่วมรนะ้อยคานะแปดสิบกว่าคำหรือใช้คําไหนก็ตามโดยเนื้อหาเลยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นเนื้อหาอย่างนั้นก็ถือว่าใช้ได้อย่าไปติดใจในเรื่องในเรื่องภาชนะเราต้องต้องมองในตัวเนื้อหา ส่วนมากแล้วเราจะถกเฉียงกันในตัวในตัวพยัญชนะในภาษาที่ใช้สื่อนะฮะใช้สื่ออย่างอย่างไรเมื่อวานในพระมันถามคุณธรรมกับจ ร, รยิยธรรมคุณธรรมกับจริยธรรมท่านท่านที่อายุมากน่อยท่านจะเห็นว่าคำว่าจ ร, ริยธรรมมาก่อนไม่มีมีแต่ธรรมจริยาเขาเรียกว่าประพฤติธรรมประพฤติสุจริต บาลีก็เรียกว่าธรรมจริยาสมะจริยาแต่ว่าภาษาไทายจริงๆใช้ธรรมะจริยาคำจริยธรรมมันเป็นภาษาทางปรัชญามาจากคาําว่าเอติกเป็นเรื่องของจริยศาสตร์เพิ่งเกิดในภาษาไทายไม่ถึง20ปีอะใช้ในภาษ า, ทาไทยมาถึง2ี่สิบปีพอที่พอใช้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมถามก็จริงว่าคุณหมายความมายังไง คำสามคำในคุณหมายความมันยังไงคุณก็ตอบไม่ถูกเพราะเอาคำมาซ้ําคําคําคนละภาษาเนี่ฮะคนละคนละภาษากันแล้ามาใช้ซ้อนกันมาซ้อนกันเสร็จแล้วก็มานั่งอธิบายนั่งอธิบายแล้วแยกไม่ออกที่จริงเราจะเห็นว่าจริยธรรมก็คือคุณธรรมนะแต่ว่าจริยธรรมเนี่ยมันจะเน้นปฏิภาคปฏิบัติ ตัวคุณธรรมมันเน้นไปตัวสภาวะของธรรมะเล่านั้นเช่นเมตตาเนี่ยเป็นคุณธรรมกรุณาก็เป็นคุณธรรมนะอ ะ, อะไรก็ตามขยันก็เป็นคุณธรรมอดทนก็เป็นคุณธรรมเป็นคุณธรรมทั้งนั้นแหละธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนะและธรรมเหล่า น, นี้มันก็ขวดประพฤติคือเป็นจริยธรรมทั้งนั้นที่ขวดประพฤติตั้งนั้นก็คือสรุปว่าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเราจะมองแล้วเนี่ยคุณธรรมมันเป็นสัจธรรมทั้งสามข้อช่วงไหนก็ตามนะฮะช่วงที่เป็นผล ก็ถือว่าเป็นปฏิเวทช่วงที่เป็นองค์ธรรมก็คือเรื่องที่ควรศึกษาช่วงที่เราปฏิบัติมันก็เพิ่มเพิ่มความดีขึ้นก็กลายเป็นคุณธรรมก็มาความเป็นตัวประจักษ์ธรรมตัวจริยธรรมนั้นจะเน้นที่ตัวการปฏิบัติแล้วก็อธิบายกันนะนะอธิบายกันอันนี้ก็คือคือเราไปยึดติดในรูปแบบเฉยเฉยที่จริงเป็นอย่างเดียวกัน เพราะการการวินิจัยปัญหาต่างๆที่มีคนเขาพูดกับเราเขาให้เราตอบเขาให้เราชี้แจงเนี่ยจ ะ, จะต้อ ง, อ ง, องแนวหนึ่งก็คือว่ายืนยันโดยส่วนเดียวแต่ว่าสิ่งนั้นต้องชัดเจนนะนะต้องชัดเจนอย่าไปยืนยันโดยส่วนเดียวแล้วไม่ใช้แนวของอคติไม่ใช้แนวของอคติมันก็เหมือนกับเนี่ยเหมือนกับสินบนสวีเดนเนี่ยนะฮะหรือเราจะเห็นว่ามัน มันแสดงถึงภูมิปัญญาที่แย่มากๆเลยนะฮะไปเล่นข่าวอย่างนี้แสดงเราภูมิปัญญาที่แย่มากๆเรื่องมันยังไม่มีพระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าเาเหมือนกับชายหนุ่มคนหนึ่งอยากได้เจ้าหญิงคนหนึ่งสวยงามมากจนไม่ยอมกินไม่ยอมนอนแล้วถามไปถามมาว่าเจ้าหญิงนั้นลูกใครไม่รู้พ่อชื่ออะไรไม่รู้อยู่เมืองไหนไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้สักอย่างหนึ่งอะ อันนี้มันไม่มีอะไรเลยนะยังไม่มีอะไรเลยโดยให้สินบนได้ยังไงอะเรื่องมันยังไม่ถึงขั้นตอนสเปคยังไม่ออกเลยนะโครงการยังไม่มีอะไรยังไม่มีเลยเพียงแต่ว่ามีข้อเสนอปรารถกันเท่านั้นเองยังยังไม่ได้เดินเรื่องไปถึงขาอา น, นนั้นเลยนี่คือลักษณะของของข้อมูลที่เราจะเห็นว่าเอามาเล่นกันคนะือนักเกมการเมืองชัดๆแล้วแล้วมันพอเล่นกันเป็นยังไงเล่นมาทำลายชาติตัวเอง่ะ รำลาชาติโดยรวมขอตัวเองในขณะที่เกาหลีก็บังจับอดีตประธานาธิบดีกินสินบนเราก็มาเล่นนายกเรากินสินบนนั่นคือคือสังคมไทยถ้าท่านหลายลองสังเกตว่าสังคมไทยเป็นอย่างนั้นตลอดมันมีอะไรขึ้นต่างประเทศแล้วจะเอาคนไทยเนี่ยมาเล่นพวกพวกพวกฝรั่งเขาว่าพระเจ้าตายแล้วคนไทยเล่นพระพุทธเจ้าไม่มี พวกฝรั่งเขาว่าเช็คสเปียไม่มีคนไทยเล่นสีปราดไม่มีท่านลองสั ง, สงเกตจะตามกระแสข้างนอกนอก็ตลอดถ้าดีพอตําเนาอ่ะนะฮะแต่มันมันกจะเล่นเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีจะจะเอามาเล่นเรื่องไม่ดีฝรั่งมีอะไรเราต้องมีอย่างนั้นข้างนอกมีอะไรเราต้องมีอย่างนั้นให้ลองสังเกตตลอดมาเลยแล้วผลวิทย์นี่มันเป็นเสียภาพรวมของชาติถ้าเราเสียภาพโดยรวม ในความรู้สึกมันเป็นมันเป็นประชาคมโลกเนี่ยตัวนี้มันมันไม่ได้อ่ะมันพูดกันในบ้านเราผมก็ยังช่วหน่อยไป็พูดข้างนอกไม่ได้มันสาวซ่ากากินแล้วไม่มีซ่าจะสาวด้วยเอาไว้กากินอันนี้คือคือคือขาดจิตสํานึกต่อชาติต่อภาพลักษณ์ของชาติมันเป็นเรื่องเรือเป็นเรื่องชาติภูมินะฮะเป็นเรื่องเกียรติภูมิของชาติบ้านเมืองซึ่งซึ่งที่จริงต้องช่วยดูแลกันมาในลักษณะอะไร ลักษณะว่าไปยืนยันโดยส่วนเดียวแต่ไม่มีข้อมูลในการยืนยันเพราะฉะแม้แต่การรับฟังข้อมูลข่าวสาร น, นนะการรับฟังข้อมูลข่าวสารการจะรอมรยอมรับว่าถูกหรือยอมรับว่าผิดนี่จริงไม่ใช่งา่ายมันต้องชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นอย่างน้อยถ้าไม่มีอะไรก็รับฟังไว้เฉยๆรับฟังไว้เฉยๆอย่มันไปมากเกินไปนะเพราะถ้าเป็นงั้นแล้วอย่างที่บอกว่าจะตกเป็นเครื่องมือ แนวการปลูกกระดมแนวอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเราก็หาหาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมมาร่วมปลูกรกระดุมเขาทาไมก็ไม่รู้เขาบอกอ่ะเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้นแล้วผลนท้ายเขาคือคนไหนเราก็หาไม่เจอเขาไม่เจอเขาสักเขาหนึ่งมีแต่ปลูกเขาทองนี่คือคือคือสิ่งที่มีปัญหาว่าการรับฟังข้อมูลข่าวสารเราวินิจฉัยไปส่วนเดียวส่วนใหญ่วินิจฉัยไปเลยถูกหรือผิดไปเลย ทา ง, งที่จริงๆแล้วเนี่ยความจริงคื อ, อยังไงเรายังไม่รู้เลยแตจ่จริงๆใช้ทั้งสองอย่างว่าเอกังสะพยากรเราจะเห็นว่าแม้จะตอบก็ต้องมีข้อยุติที่ชัดเจนว่ายืนยันโดยส่วนเดียวแม้จะรับมันก็ต้องมีมีความชัดเจนในตัวข้อมูลขาอสารตรงนั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็ก็จะรับไวโ้โดยโดยระยะหนึ่งระดับหนึ่งนะฮนะที่รู้มาอย่างนั้นนะฮะ อันี่คือคือลักษณะของสัจจะเห็นไหมฮะเราสัจจะวาจาเราจะพูดตามได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้เท่านั้นเองเราไม่รับผิดชอบแต่เราได้ยินมาอย่างนั้นเท่านั้นถ้าจะถามเนี่ยถามว่าจริงไม่จริงเราไม่รู้เราไม่รู้แต่เราได้ยินอย่างนั้นจริงก็ถ้าถ้าคุณต้องการจะรู้ก็ไปสื้อตัวเองเรารับผิดชอบได้ขนาดนั้นนะนะะรับผิดชอบได้ขนาดนั้นอย่าไปยืนยันอย่าไปยืนยันเรื่องถูกเรื่องผิด ถ้าไม่ชัดเจนในข้อมูลนะแต่ว่าแนวธรรมะอย่างที่บอกนะเราจะใช้ศรัทธาศรัทธาในพระตรรมใโดยเฉพาะ ย, ายิ่งขึ้นในพระพุทธเจ้าเป็นหลักแต่ก็ยืนยันบางทเาีเรื่องมันเรื่องมันันันสัผัสง่ายนะ ม, ม, ม, มันคิดง่ายก็อาจจะเสนอข้อคิดเอาอย่างอย่างเนี้ยอย่างสัจจะนิครนแก่ยืนยันว่าเป็นตัวเป็นตนนะมีตัวเป็นตน มาโต้กับพระพุทธเจ้าเอาคนราชกุมารหนุ่มๆ ม, มาเป็นบริวารนั่งสี่ห้าร้อยมาเป็นกองเชียร์มาโต้พุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ตัวใช่ตัวเป็นหน้าตากขาบอเป็นอัตตาทีนี้มันก็ต้องนิยามคำว่าอัตตาของคุณคืออะไรเสีก่อนและอนัตตาของฉันคืออะไรที่ว่าเนี่ยหมายความมาอย่างไงลงตัวไหมหมายความว่าถ้าเป็นอัตตาเป็นตัวตนเราสามารถบงการได้ใช่ไหมใช่ ให้เขาหาข้อยุติได้ก่อนว่าลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่าที่พูดเนี่ยแต่พระกระชาพระพุทธเจ้าถามเอาถ้าอย่างนั้นคุณบังคับผมคุณไม่งอกได้ไหมฟันไม่หักได้ไหมตาไม่พร่า ม, มัวอะไมันก็ถามมาไรไไื่อยๆเลยคำว่าอนัตตาคำว่าอัตตาเนี่ยเขาเขายืนยันแล้วว่าสามารถบังคับได้เพราะเป็นตัวเราจริงๆก็จะ ก, ก, ก็ลองถามดูว่าถ้า ง, งั้นคุณคุ ณ, คณบังคับตัวคุณได้ไหม บังคับอย่างเงี้ยบังคับผมมาเนี่ยบังคับอะไรบังคับไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาแมันก็ถามมาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็มาบทสรุปพระท่าอย่างนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาสรุปเท่านั้นเองนะฮะถ้าถ้าอย่างนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาก็แกว่าแกที่แกตอบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะก็ยอะเลยแกยอมแล้วมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วเสร็แล้วแกก็ยอมอ่ะยอมจำนวนตรงนี้ แต่ว่ามันมีข้อตกลงกันก่อนนะพุทธเจ้าบอกต้องพูดกันแบบบัณฑิตนะไม่ใช่พูดแบบพานนะถ้าพูดแบบพานมันพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะก็ตกลงตกลงพอตกลงก็พูดกันง่ายทีนี้อีกแนวหนึ่งเนี่ยแนวหนึ่งท่าเรียกว่าเป็นวิพัฒชพยากรเป็นการนำเรื่องเหล่านั้นมาแบ่งแยก จริงทั้งหลายนั้นมันมันมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยนะที่จริงแล้วในส่วนใหญ่เราต้องแบ่งแยกต้องแบ่งแยกว่าในความดีเนี่ยที่จริงมันมีชั่วบนอยู่อย่างที่เราพูดเนียฮะเราพูดว่าเอ๊ะทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีที่ปถมไปเราทําดีแทบตายไม่เห็นได้ดีอ่ะถามว่าคุณทําชั่วมัง่งหรือเปล่าเดี๋ยวนะถามว่าชีวิตจริงๆนี่คุณทําเฉพาะดีหรือเปล่า ก็เปล่าคุณทําเฉพาะชั่วหรือเปล่าก็เปล่าและคุณมีความทุกข์ตลอดหรือเปล่าก็เปล่ามีความสุขตลอดหรือเปล่าก็เปล่าเห็นไหมคุณจะมีทั้งนินทาทั้งสรรเสริญทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเสื่อมทั้งเจริญเพราะมันมาจากความดีกับความชั่วคุณแยกอะไรออกสิอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรว่าที่ผลเป็นความสุขนั้นแน่นอนมันมาจากความดีแต่ความดีเมื่อไหรความดีที่ไหนแล้วใครทําคุณทําแน่นอน อย่างน้อยคุณเกี่ยวข้องกับคนดีทั้งหลายอย่างน้อยคุณก็เกี่ยวข้องคนดีทั้งหลายคุณก็ดกลายเป็นคนดีเพราะงั้นท่านมองในแนวนี้เราจะเห็นว่าก็แยกได้เพราะจริงๆชีวิตเราไม่ได้ไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่สุขเสมอไปไม่ทุกเสมอไปที่เราได้เราก็มีเราเสียที่เราเสียเราก็มีที่เราได้นะบางทีเนี่ย สิ่งที่เราเสียเราอาจจะรู้สึกว่ามากแต่ถ้าเข้าจะคิดแล้วสิ่งที่เราได้กลับมากกว่าเราจะเห็นว่าแก่แ ก, กระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสียหมดเลยนะฮะสละทรัพย์สมบัติหมดตำแหน่งนักธิการงานหมดมันใล้แกล้กลหมดเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆมันได้มากกว่าเสียทั้งเยอะเลยเพราะสมบัติที่เขาบูชาพระพุทธเจ้าในโลกนี้นะฮะในโลกนี้ในไม่มีใครรวยเท่าเ่นะ เอาสมบัติที่เขาบูชาพระต่างๆทั้งโลกมากองรวมกันไม่มีใครเท่ารวยมหาศาลเลยเนี่ยวัดแต่ละวัดเนี่ยมีเขาเคยประมาณนะฮะประมาณวัดวรประมาณการวัดวร ว, วนว่ามีมีเงินเท่าไหร่ห้าพันล้านนะ่ะคิดที่ดินด้วยคิดที่ดินวัดด้วยคิดโบทคิดเยอะดีหมดวนะกว่าห้าพันนะ่ะนะฮะวัดวรวนมันมีตั้งหลายตั้งหลายสิบไร่ไร่ตรงนี้มันตั้งห้าแสนกว่าก็เนี่ยฮะคือคือคือเราจะเห็นว่า ถ้าคิดในรูปวัตถุจริงจะพเจ้าก็ได้เยอะเลยแล้วคิดในในแง่ผลประโยชน์ที่ที่สงสัมผัสเองที่ส่งให้แก่แก่ชาวโลกมันได้มากมายกลกอเดก็อยู่ที่การมองว่าสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เราเสียราะส่สิ่งสิ่งที่เราเสียไปนั้นมีผลไม่ยัเหยยนสิ่งที่เราได้กลับยัเหยืนนะะก็อยู่ที่ที่ใครคิดยังไงอ่ะ ก็คล้ายๆกับที่พวกพระมหากัรปะป่านคิดพวกอะไรล่ะพวกสุมเมธดาบทคิดอะไรเนี่ยนะฮะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายมหาศาลเนี่ยมันก็กินได้ทีละคำนะเนี่ยได้โพวนทุนท่ากินไปหมดม่ใช้ไปหมดแล้วตัวเองตายแต่ก่อนทรัพย์สมบัตินั้นก็ปล่อยคนอื่นไปยู่อแจ ก, กันแต่ถ้าเอาไปทำเป็นบุญเป็นกุศลแด้ตัวเองเสียสละออกบทเป็นฤาษีได้ทั้ง บุญที่ติดตัวคุ้มครองตัวได้ดับบารมีรำนะแล้วก็ได้ผลทางจิตใจและอะไรเป็นได้จริงๆได้ยั่งยืนได้เป็นบารมีนะฮะเป็นบุญที่ติดตามตตัวไปในพบน้อยพบใหญ่อันนี้ก็อยู่ที่ทีความคิดสรุปว่าเรื่องตัวนี้ต้องแบ่งแยกต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าอะไรไมันเป็นอะไรแล้วเราจะมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้นะฮะมองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ เราจะเห็นว่าคำสอนของพุทธเจ้านั้นท่านจะรับผิดชอบมากๆเลยครับรับผิดชอบมากๆไม่ใช่สอนชาวบ้านทําทานจนเละหมดเลยตัณ ท, ทานอยู่ตัวเองอดไม่ได้วินัยในยกําหนดไว้เลยนะครับกหนดไว้เลยว่าสมมุติเราพระจะขอได้ขอต่อคนได้หว่วรขอต่อญาติต่อภาวณาและขอในเรื่องจําเป็นจะต้องข อ, อถ้าหากว่าเป็นพระรยายบุคคลระดับปฐสราบันขึ้นไปเนี่ยบางทีท่านถวายหมดจนไม่คิดถึงกนะินเนี่ย ก็เล่นยากเลยนะฮะห้ามไม่ให้ไปบิณาบาตเลยถ้าจนนะถ้าเขาจนห้ามไม่ให้ไปบิดาบาตถ้าจะไปก็เขาต้องนิมนต์ไม่เดินผ่านไปมันกัน ต, ตัวไม่ได้เบียรเอตักอดข้าวเอาอาหารมาตักบาสแล้ด้วยจะอดข้าวอีกนี่ก็คือก็คื อ, คอว่าไม่ใช่ว่ามองอเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งในขณะที่มองผลเป็นอริยมรรยผลมองผลเป็นสวรรค์มองผลแปรแต่อย่าลืมมนุษย์เราย่างเป็นมนุษย์อยู่นะ มนุษย์จะต้องไม่มีปัญหาในขณะที่เป็นมนุษย์ถ้าเรามีปัญหาตั้งแต่เป็นมนุษย์แล้วเป็นสวรรค์ก็ต้องมีปัญหาแหละเป็นปัญหาแม้จะไปสวรรค์ไม่ได้เอานะเพราะฉะนั้นทำยังไงว่าสิ่งที่ทำจึงอะต้องอํานวยผลทั้งสามจังหวะพระพุทธเจ้าจะอํานวยผลสามจังหวะตลอดหมายความมาให้ผลเป็นความสุขในปัจจุบันแล้วก็เป็นบุญปีปกุศลที่จะตกแต่งพบชาติให้ประณีตขึ้นตกตะกรเป็นบา ร, รมีธรรมนะที่จะ นำให้บรรลุออผลที่พ่านในโอกาสต่ตอไปต่อให้ได้ประโยชน์อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไปก่อนอย่างนี้ไม่ได้นะจะต้องรับผิดชอบปดแล้วก็รับผิดชอบต่อคนอื่นด้วยคือการกระทําบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยใช้เราไม่ค่อยใช้ เ, เหตุผลทางวิติศาสตร์นะไม่ใช่เหตุผลทางวัติศาสตร์เข้ามาช่วย ญาติพี่น้องปู่ย่าตายา ย, ายหรือพ่อแม่อะไรต่ออะไรนี่ทุ่มเททรัพย์สมบัติบังหลงศาสนามากนี่อันตรายอันตรายแกใครอันตรายแก่ลูกหลานมันมันมันมันมันตัวเองนั้นได้บุญได้กุศลแต่มนาะแต่อย่าลืมว่าลูกหลานเนี่ยเขาจะโกรธตัวเองโกรธโกรธโกรธพ่อแม่แล้วก็โกรธศาสนาเป็นเป็นอะไรฮะ แค่แคกศาสนาแย่งความรักแย่งกองมรดกแย่งผลประโยชน์อะไรตัวน้แกไปแกก็โกรธต่อเพราะงะั้นสิ่งเราเรานี้ท่านท่านบอกต้องไม่กระทบกระทั่งต้องไม่กระทบสัตว์ทั้งไอ้กระทั่งศรัทธากระทบกระทั่งผู้ฆ่าคนชาวบ้านเรียกว่าเป็นประโยชน์คือกูลแก่บุคคลทั้งหลายนั่นก็คือคือลักษณะการภาคปฏิบัติเราจะเห็นว่ามันก็แบ่งแยกแบ่งแยกให้ไม่ใช่เอาเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง แล้วก็ในการจะตอบการจะชี้แจงธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นในการรับฟังข้อมูลกระสารก็อยากจะเน้นว่าการรับฟังข้อมูลกระสารต้องรู้จักแบ่งแยกข้อมูลกระสารแล้วและที่ที่จริงออกมาว่าถ้าเราดูเรารู้เรื่องเหล่านี้นะฮะเรื่องเหล่านี้ฟังปับ๊บแตเราเร า, เรารู้แต่จริงเพราะสิ่งทั้งหลายไม่มีใครเสนออะไรได้ทั้งหมดมันจะมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมันเกี่ยวเนื่อง เขาพูดเรื่องปัจจุบันแสดงปัจจุบันต้องมีอดีตเรารู้อดีตะหมอดีตนี่คืออะไรยังไงยังไงมาขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปมันจะจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไม่นิฉัยได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องเป็นทาสของสื่อตรงนี้แล้วภูมิปัญญาของคนเหล่านี้ไม่จะดีเด่นอะไรนักหนาที่เราจะต้องไปเชื่อเขาทั้งหมดเนี่ยะมันเป็นพวกธุรกิจขายขายข่าวขายผลประโยชน์เฉยๆแล้วเราก็เสียเงินเสียทองซื้อแล้วเสียภูมิปัญญาตัวเองอีก ในการที่จะไปรับขยะความคิดตรงนั้นเพราะงั้นต้องแยกต้องรู้จักแบ่งแยกให้ชัดเจนแล้วก็ทิ้งก็ทิ้งเลยนะทิ้งเลยไม่ต้องออกมาปรป ร, รบปไปุกกองวลอะไรแต่ว่าที่มีปัญหาสังเกตนะฮะสังคมไทยก็ห้ามพูดสองเรื่องเรื่องาศาสนากับเรื่องการเมืองไปเดี๋ยวต่อย ก, กันเป็นเรื่องที่แปลกมาก ๆ, ๆ เ, เป็นเรื่องที่แปลกมากมาก เพราะอะไรเพราะมันนับถือศาสนาแบบแบบอุปทานนะแล้วก็ถือการเมืองแบบอุปทานแบ่งแยกออกไปชัดเจนแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาออกไปชัดเจนแล้วก็พูดอะไรไม่ได้ก็ขาดการประนีประนอมขาดการประสานกันที่จริงแล้วเนี่ยฮะถ้าโครงสร้างของพูดจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่อย่างที่บอกกับพวกกินดูขน่นะฮะ บอเขาไม่ได้ว่าอะไรคุณน่ยนะประชุมก็ไปชุม่มอยู่ก็ว่าอะไรหรอกแต่ประเด็นสําคัญว่าคุณอย่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นอาวตารประเด็นตรงนี้เท่านั้นเองคุณจะพูดอะไรประชุ ม, มก็ประชุมไปสิชุ่มเรื่องเหมือนกันเยอะไปทําไมคุณไม่พูดอ่ะพูดทําไมคุณต้องข่มคนอื่นอ่ะพูดโดยศักดิ์ศรีก็ความเป็นคนด้วยกันดีความเป็นศาสนาด้วยกันคุณคุณก็ถือว่าศาสานาคุณเป็นศาสนาเราก็เป็นศาสนานี่ยก็เป็นศาสนาด้วยกันน่ะ ก็นั่งคุยกันไม่ได้เลยทำไมคุณต้องเอาพระพุทธเจ้าไปลูกสิคุณนะเออไอ้ น, นี่ประเด็นเี่เขาไม่ชอบตรงนี้เท่านั้นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรที่เหมือนกันเยอะไปนะฮะศาสนาฮินดูก็พูดมันก็เหมือนกันตั้งมากมายไกล ก, ก่อนเป็นศาสนาที่เดินทางกันมาด้วยการนะนะั่นนะฮะไอ้นี่ก็คือก็คือสิ่งที่พอพอเราไม่เข้าใจแล้วเนี่ย เราจะบูรุกลูกเดียวเลยโอ้ยกรรมธิการาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมก็จะลุยจะอาพิปราจะอะไรเลยต้องเบรกกันตัวโกงลยอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็คือคือเราเราไม่เข้าใจในการแบ่งแยกว่าตรงไหนล่ะที่มันมีปัญหาเนี่ยก็อย่าไปยุ่งที่ตรงนั้นนะอย่าไปยุ่งเหมือนตรงนั้นนี้ปัญหาตรงที่ไม่มีปัญหาก็ใช้เฉพาะตรงที่ไม่มีปัญหามันก็มีการประสานกันได้ทีนี้ในการตอบการชี้แจง การตอบการชี้แจงเรายืนยันโดยส่วนเดียวไม่ไดนะ้ยืนยันโดยส่วนเดียวไม่ได้เช่นว่าคนคนทําดีแล้วจะบังเกิดในสวรรค์เสมอไปไหมอันนี้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้คนทาชั่วต้องตกนรกเสมอไปไหมตอบไม่ได้แต่เราตอบได้ว่าตกนรกเพราะการรมชั่วนะบับงเกิดสวรรค์เพราะการรมดีแต่ถ้าเจ้าคุณเจ้าคนมาในคนแกไปทําอย่างเดียวว่า ไม่ทำอย่างเดียวแล้วก่อนแ ก, กจะดับจิตจิตแกเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เจอไงจิตแกคุณมัวจิตแกเศร้าหมองจิตแกผ่องแพร่บางทีก็ บ, บรรลุมอกผลม่นก็ได้ยไม่รู้ได้ไงแกยังไม่ตายอ่ะเราอยู่รู้ได้ไงเออถ้าผููตายแล้วได้นะผู้ตายแล้วท่านนี่มียาท่านรู้วนะแต่ตอนนี้ท่านยังไม่ตายมันบอกไม่ได้หรอกแต่แน่นอนที่สุดว่าทําดีได้ดีท้องช่วยอะไร่ ว, วเห็นไหมรู้แต่จะยืนยันจะพะกับกับตัวผลมัน ทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชัว่วแต่จะคุณจะถามว่าคนดีต้องบังเกิดสวรรค์เสมอไปหรือคนชั่วตกนรกเสมอไปหรือไม่ได้แต่จะถามว่าคนได้ฌานบังเกิดในพรหมโลกตลอดไปหรือบอกก็ได้ถ้าฌานไม่เสื่อมนี่ก่อนนะถ้าในขณะตายังมีฌานอยู่นะฮะอันนี้แน่นอนได้แต่ว่าพรหมโลกชั้นชันไหนเราก็ไม่รู้ว่าฌานจะอยู่ ฉันไหนเหมือนกันน่นะฮะอันนี้เห็นไหมฮะเราเราเราต้องแบ่งแยกไว้เราอาจจะรั บ, บเฉพาะตอนได้ตอนเลยแต่ไปยืนยันตลอดไม่ได้เพราะถึงจุดหนึ่งมันเกิดมีปัญหาก็ทำให้มีความรัดกลุ่มนะในการพูดในการชี้แจงในการแสดงอะไรต่ออะไรต่งางตตามปกติแล้วเนี่ยเรามักจะใช้อารมณ์ ใช่ลมไปยืนยันแล้วมันเกิดจุดมีปัญหาขึ้นมาก็เนี่ยอย่างอย่างได้เกิดยกตัวอย่างให้ฟังว่าคตีไทย ท, ที่พูดว่าเจองูกับแขกกตีแขกก่อนอันนี้ไม่ได้การพูดตรงนี้ใช่ไม่ได้เห็นนะฮะมันไปมองยืนยันเกินไปแต่คนแขกก็ต่อนะฮะว่ า, วาเจอแขกกับไทยอตีไทยก่อนอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้เหมือนกันคือ ไปไปยืนยันแนวนั้นไม่ได้ต้องสามารถแบ่งแยกว่าความเป็นคนดีคนชั่วไม่ได้อยู่ที่เผ่าพันธุ์คนน้นอยู่ที่การกระทำเห็นไหมพระเจ้าพูดที่การกระทำจะไม่พูดถึงคนเลยคนไม่ได้หรอกคุณจะพูดชาตินั้นชาตินี้ดีชาตินั้นไม่ดีไม่ได้ไม่มีเหตุผลพระเจ้าถึงศาสนาพูดถึงปฏิเสธวันนะวันนะไม่ใช่เครื่องเกณฑ์กําหนดว่าคนต้องเป็นคนดี เห็นไหมคนจะเป็นคนเลวคนจะเป็นคนประเสริฐก็ไม่ใช่เพราะชาติตระกูลนะฮะคนจะเป็นคนเลวก็ไม่ใช่เพราะชาติตระกูลแต่คนจะเป็นคนดีคนเลวเพราะการกระทาของเขานะเพราะฉะนั้นคนทุกวันนะนี่ดีได้เลวได้แล้วเป็นพระอาหารหันได้ในกรณีขอกา ร, ราก็ตกนรกก็ได้นะฮะมันก็อยู่ที่กรรมคือการกระทาของแต่ละท่านนั้นคือพูดในลักษณะาการแบ่งแยกข้อมูลข่าวสารถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ นะที่จะต้องฟังแล้วก็แบ่งแยกเวลานี้โบราณถ้าเรียกฟังหูไว้หูนมาว่าฟังสักสักมสิเปอร์เซ็นก็เยอะแล้วนะแล้วก็ไอ้เจ็ดสิเอร์เซ็นเนี่ยไว้คิดนะไว้พินิษฐพิจารณาแล้วสรุปว่าอย่าไปเอาขนาดกรมูตุนิยมวิทยานะรายงานลักษณะาอากาศไม่เคยผิดบางทีก็ผิดนะะ มึงเป็นก็ผิดโดยจะเห็นว่าจะเกิดใต้พุนขนาดน้องๆเกผ่านภาคใต้ไม่เข้าเลยอันเนี้ยเห็นไหมฮะมันสิ่งน่นารักมันเกิดขึ้นมันจะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนอยู่ทุกขณะเนี่ยเปลี่ยนอยู่ทุกขณะมีค่าว่าหน้าจะเป็นน่ะแต่อย่าลืมมาเหตุปัจจัยต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆมันเกิดมีความเย็นเกิดมีลมเกิดมีอะไร อ, อะไรขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นเลยตอน ง, งั้นาศาสตร์สนาพูดพเปล่าก็จริงเนี่ยแต่ท่านจะพูดเป็นขณะเอเดนท่านจะพูดเป็นขณะ แบ บ, แ บ, บแราย ง, งานกรมอรุตุนิยมวิทยานะีราย ง, งานอะไรล่ะราย ง, งานาน้ําทะเลขึ้นเวลานั้นน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่น้ากรมอรุทกศาสตร์กองทัพเรือตรง้นตงอื่นฉันไม่รู้ตรงอื่นยังไม่รับผิดชอบนี่คือคือคื อ, คอเราจะบอกบอกเวลาบอกสถานที่บอกเวลาบอกสถานที่ตรงอื่นเราเราไปรับผิดชอบให้ได้ ทำให้การการพูดโดยการอะไรแต่ใดเนี่ยมีความกระชับมีความรัด ก, กุมนะฮะแบ่งแยกหรือยอย่างอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าปัญหาในแนวเนี้ยนะฮะในแนวเนี้ยที่มีคนไปโต้กับพระพุทธเจ้าตอนตอนสัสรูแล้วตอนสัสรได้ประมาณเก้าเดือนเนี่ยนะฮะเกิดนับว่าหลังจากปฐมเทศนาเจ็ดเดือนก่อนวันที่จะแสดงมาฆบูชานะฮะก่อนก่อนก่อนจะแสงวัตปฏิโมกข์นี่มีคนไปโต้กับระพุทธเจ้า เลยบอกว่าข้าพเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดอันนี้มากไปโดยเฉพาะเมื่ามากไปก็ใช้คำว่าทั้งปวงอะ่ะใช้กับมาทั้งปวงนี่มากไปที่จริงมีบางสิ่งที่เราไม่ชอบอะแต่มีบางสิ่งที่เราชอบเพราะการการไปกําหนดอย่างนั้นเนี่ยมันมีกระทบต่อสุขภาพจิตเราทําให้มองโลกในแง่ร้าหมดเลย มองคนมองสัตว์มองตัอเร็วหมดมีดีอยู่คนเดียวนต่นนเองอย่างนั้นก็เดือดร้อนตายแล้วอย่างนี้ก็เรื่องมองโลกในแง่รายรุนแรงไปมันต้องแบ่งแยกแบ่งแยกที่ตรงไหนไม่ใช่เหมอคนนั้นเองก็เถอะไม่ใช่คขชั่วตลอดยีิบสีชั่วโมงคนนั้นก็มีดีเขาอะเขาอาจจะเป็นงั้นงั้นแต่นะแต่เขาก็มีดีส่วนส่วนดีเขาเราก็เอาเฉพาะส่วนดีเขาก็าสรุปว่า แนวตรงนั้นไม่ได้นะยืนยันก็ไม่ได้ยืนยันก็ผิดรู้ต้องรู้จักแบ่แบ่งแยกแบ่งแยกคนผ่านก็เหมือนกันกระหมายความว่าการกระทําที่เป็นผ่านรู้จ่าจะเน้นในการกระทารํ า, นะ ก, าร ก, รทการพูดความคิดแต่นั้นเองนะการกระทาการพูดการคิดถามว่าเขาเป็นผ่านตลอดไหยมันไม่ตลอดหรอกไม่ตลอดหอกจึงมีคําสอนลักษณะอย่าเอาเยี่ยงให้เอาอย่างให้เอาอย่างอย่าเอาเยี่ยงบางอย่างนี่ก็ เขาอย่างเขาได้นะฮะอย่าเอาเยี่ยงเขาหมายความมาเลือกเอาเฉพาะส่วนดีเป็นการมองสิ่งทั้งหลายไม่ใช่แนวของ เ, อเรียกว่าโลภะหรือว่าโทสะเกินไป